มาเกินเกินข้อความในปฏิสัมพิธามาร์ต่อจากครั้งที่แล้วครั้งที่แล้วเราได้พูดถึงปริญญาธรรมปริญญาธรรมซึ่งแปลว่าธรรมที่ควรรอบรู้แต่ถ้าแปลว่ากําหนดเฉยๆนี่แคบไปต้องแปลว่าธรรมที่ควรรู้รอบหรือว่ารอบรู้อนะรู้โดยรอบดังั้นคําว่ารู้โดยรอบนั้น ไม่เฉพาะแต่รู้แบบตีรณะปริญญาเท่านั้นนะไม่ใช่ไปรู้เฉพาะเพียงแต่ว่านั้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่อมความถึงว่าผู้ที่ปฏิบัติได้คุณธรรมใดๆก็ชื่อว่าทำปริญญาในคุณธรรมนั้นๆด้วยเนี่ยนะอย่างมาดูในเอกสารที่แจกไปเนี่ยนะในหน้าสามสิบสอง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 อาตคิคือความไม่ยินดีในการเจริญกุศลได้เพราะฉะนั้นธรรมะนั้นเป็นธรรมะอันบุคคล น, นั้นทำปริญญาแล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้นะพิจารณาจนสามารถละปฏิปักขธรรมธรรมที่เป็นข้าศึกธรรมที่เป็นปฏิปักจนเจริญเนคธรรมะอัพยาบาทอาโลกสัญญาความไม่ฟุ้งซ่านการกำหนดธรรมยาณะปราโมท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 เพราะตัวที่บันทรนทำให้เจริญฌานไม่ได้ก็คือการมฉันทะนี่ก็เป็นค่าศึกเป็นศัตรูในการเจริญฌานพยาบาทก็เป็นค่าศึกศัตรูในการเจริญฌานทีนามิทะนี่ก็เป็นค่าศึกศัตรูเหมือนกันความฟุ้งซ่านความสงสัยอวิชชาความเบื่อหน่ายในการเจริญกุศลพวกนี้ก็เป็นค่าศึกเป็นศัตรูต่อการเจริญกุศลธรรมทั้งผู้ที่ ะจะเจริญคุณธรรมเจ็ดประการนั้นจึงสามารถรองรับฌานได้แล้วก็ฝึกฝนให้เกิดมีในจิตเนี่ยนะอาใครที่มีคุณธรรมทั้งเจ็ประการนี้ก็ชื่อว่าทมปริญญาเหมือนกันหรือปริญญาที่แปลว่าเป็นผู้รู้รอบเป็นผู้รอบรู้นะคนที่รู้รอบรอบรู้เนี่ยจะต้องมีคุณธรรมเนี่ยจะต้องมีคุณธรรมส่วน เมื่อได้คุณธรรมเหล่านี้ก็ได้ปฐมฌานเนี่ยบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ปฐมฌานก็เป็นอันได้แล้วธรรมะนั้นเป็นธรรมอันบุคคล น, นั้นกําหนดรู้แล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้ปฐมฌานนี้ละอะไรละนิวรณ์ทั้งห้าข่มนิวรณ์ทั้งห้าทุติยฌานนิข่มอะไรข่มดิตกวิจฌาน ต, ตัติยฌานนิข่มปีติจตุติฌานน้ข่มสุข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 บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้อากาศานาัญญาตนาสมาบัติก็เป็นอันได้แล้วแปลว่าเขาละกามาวจรละรูปาวจรได้ทั้งหมดจึงได้อากาศานาัญญาตนะก็ชื่อว่าเป็นผู้รอบรู้ในเรื่องตามรอบรู้ในเรื่องรูปาวจรผู้พยายามที่จะได้วิญญาณัญญาตนะก็เป็นอันได้แล้วเพราะละอากาศานาัญญาตนะ บุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้อากินจัญญายตนะสมาบัติก็เป็นอันได้แล้วเพราะละวิญญาณันดาวิญญาณอัจัญญายตนะบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้เนวสัญญาณาสัญญาญายตนะก็เป็นอันได้แล้วธรรมนั้นเป็นธรรมะอันบุคคลนั้นกําหนดรู้แล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้ผู้ที่ทําปริญญาในอารูปสมาบัติก็สามารถที่จะเจริญอารูปสมาบัติทํำให้อะ อรูปสมาบัติเกิดขึ้นแล้วก็รักษาอารูปสมาบัติให้เป็นไปผู้ที่เจริญมหาวิปัสสนา18เนี่ยนะก็คือเกี่ยวกับเรื่องการอ บ, บรมปัญญาโดยนิยะต่างๆอนิจจานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนานิ่พิธานุปัสสนาวิราคานุปัสสนานีโรทานุปัสสนาปฏินิสักานุปัสสนาเรียกว่าอนุปัสสนาเจ การที่เจริญวิปัสนาเนี่ยนะขณะที่วิปัสนาเกิดขึ้นก็ชื่อว่าทำปริญญาเหมือนกันส่วนเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องมหาวิปัสสนาก็ได้อธิบายไปหลายครั้งแล้วซึ่งข้างหน้าต่อๆไปเนี่ยนะในวิปัสสนาญาณชั้นสูงก็จะได้อธิบายอย่างละเอียดอยู่แล้วการกล่าวถึงธรรมะในกล่มนี้ว่าถ้าผู้ใดาสามารถทําให้มหาวิปัสสนาเกิดขึ้น บุคคลนั้นก็ชื่อว่าทําปริญญาและชื่อว่าที่เจรนาหรือแม้กระทั่งปริญญาสูงสุดเลยก็คือต้องโน่นแหะโสดาปฏิมกักสกาธาธรรมัมกอนาคาธรมีมักและอรหัตตมักผู้ที่เจริญอริยมักเหล่านี้จนเต็มเตี่ยมสมบูรณ์ก็ชื่อว่าเป็นผู้ที่ทําปริญญาหรือว่าพิจารณาเสร็จแล้วโดยเฉพาะอารหัตตมักในขณะนั้นกําลังทํากิจั้นผลแห่งอริยมักนี้เกิดขึ้นก็ชื่อว่าจบ จ บ, จบกิจในการทำปริญญาเรียกว่าจบปริญญากิจเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นบุคคลผู้พยายามเพื่อต้องการจะได้ธรรมะใดๆเป็นอันได้ธรรมะนั้ น, น, นแล้วธรรมะเหล่านั้นเป็นธรรมะอันบุคคลนั้นกำหนดรู้แล้วและพิจารณาแล้วอย่างนี้เนะชื่อว่ายานพระอัฏฐาว่ารู้ธรรมะนั้นเนะชื่อว่าปัญญาพราะอาัฏาว่ารู้ชัด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 ควรกำหนดรู้เออนี่เพิ่งได้แค่ข้อสองเองหรือไงเลยนะลอีกเท่าไรเลยอีกสิบสี่หัวข้อนะมีอะไรบ้างทำเหล่านี้ควรละทำเหล่านี้ควรทําให้แจ้งทำเหล่านี้ควรเจริญอนะันนั้นอะไรอีกนี่ทำที่อยู่ในส่วนแห่งความเสื่อมนี้ดํารงอยู่ตั้งอยู่ทีติเนี่ยนะแล้วก็วิเศ ษ, ษเจริญขึ้นวิเศษขึ้นพิเศษขึ้นอ่ะนะ และก็นิเพทภ า, าคิยะส่วนแห่งการชำรกกิเลสสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขารทั้งปวงเป็นทุกข์พรรมทั้งปวงเป็นอนัตตานี้ทุกข์นี้ทุกขสมุทัยนี้ทุกขะนิโรธนี้ทุกขะนิโรธาคามิมนีปฏิปทาผู้ที่ฟังเรียนรู้จำนแนกแจกแจงในธรรม16หัวข้อได้อย่างละเอียดชื่อว่าเป็นผู้มีสุตตะมยะปัญญาสุตมยะปัญญาอันนี้แหละ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 ตรัสรู้ธรรมะทั้งมวลเหล่านี้นี่ก็มาขึ้นปหาตปรธรรมเลยนะธรรมกล่าวถึงธรรมที่ควรละบ้างเพราะว่าผู้ที่รู้ยิ่งธรรมที่ควรรู้ยิ่งผู้ที่กําหนดรู้ธรรมที่ควรกําหนดรู้ที่สําคัญจะต้องละธรรมที่ควรละได้พราะความในสุตตมายายานปหาตพรธรมรมปหาตพานิเทศข้อหกสิบสี่ปฏิสัมพิธามมัต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 แล้วก็แบ่งไว้ทำหนึ่งที่ควรละทำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบทำที่ควรละก็มาดูว่าทำหนึ่งที่ควรละคืออัศมิมานะทำสองอย่างที่ควรละคืออวิชากับตันหาบางแห่งก็คืออวิชากับภวะตันหาทำสามที่ควรละคือตันหาสามทำสี่ที่ควรละคือโอคาสีทำห้าที่ควรละคือนิวรหา้า ทำหกที่ควรละก็คือตัณหากายะหรือหมวดตัณหาหกทำเจ็ดที่ควรละก็คืออนุสัยเจ็ดทำแปดที่ควรละคือมิ ช, ชตะข้อปฏิบัติที่ผิดแปดทำเก้าที่ควรละก็คือทำมีตัณหาเป็นมูลเหตุเก้าอย่างทำสิบ ท, ที่ควรละก็คือมิ ช, ชตะขอบความปฏิบัติผิดสิบอย่างมาดูคําอธิบายโดยพิสดารเนี่ยนะในหน้าสี่นะเปิดไปหน้าสี่ ใครเอาเล่มโตมาก็พับเก็บไว้ก่อนก็ได้เพราะว่ามันเหมือนกันนั่นแหละที่บอกว่าทำหนึ่งที่ควรละคืออะไรอัศมิมาณนะใช่ไหมมาณะว่าเป็นเราอะไรนะรู้จักเราน้อยไปอย่างนี้ด้วย่าเพราะเขาไม่รู้จักเรานี่แหละเขาจึงเป็นอย่างไงนะลักษณะนั้นแหละลักษณะอัศมิมานะเชื่อว่ามาณะเพราะเป็นเราในอุปาทานขันห้ามีรูปเป็นต้น คือคนจะจะยิงเนี่ยนะมาณไปง่ายๆว่าหยิงก็ได้เอาอะไรมาเป็นเครื่องทำให้หยิงเอารูปบ้างเวทนาบ้างสัญญาบ้างสังขารบ้างวิญญาณบ้างก็เอาสิ่งที่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาัตตานี่แหละมาเยอะยิงมาพยองนะเ น, นะ์ึิถึงพุทธพจน์ในวิชยสูตรที่พระองค์ตรัสว่าผู้ที่สำคัญในในรูปของตนเนี่ย น, นะยึดถือในกายของตนแล้วก็ดูหมิ่นผู้อื่น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 ที่จริงมานะเนี่ยนะที่สาคัญในอุปาทานขันห้าขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นจริงอยู่เมื่อละมานะนั้นได้ก็เป็นอันบรรลุพระอรหันต์คือบรรลุเป็นพระารหัสคืออรหันต์นั่นแหละเพิ่งทราบว่าแม้เมื่อรู ป, ปราคาเป็นต้นยังมีอยู่ก็ไม่กล่าวถึงสังโยชน์ที่เหลือกล่าวถึงอัศมิมานะเท่านั้นเพราะอัศมิมานะนั้นะหยาบเทียบได้กับทิฐิ คือในองค์มรรคเนี่ยนะในองค์มรรคทั้งหลายโสดาปฏิมรรคละอะไร อ, อละทิศกาญจธิฐิวิจิกิจฉาสีระพตะประมามมัสถ้ามาไล่ตามลําดับเนี่ยนะสัมมาทิธิละมิจฉาทิธิสัมมาสังกปะละมิจฉาสังกปะสัมมาวาจาละมิจฉาวาจาเป็นต้นเนี่ยนะเทนิทัสกะทาคามีมรรคเนี่ยสัมมาทิฐิละอะไร สัมมาทิฏฐิเนี่ยนะบอกว่าละมานะแทนคือมานะนี่มันมีหลายระดับนะมานะร ะ, ระดับล่างต้องใช้สกทาคามีมักละมานะอีกระดับหนึ่งต้องใช้อนาคามีมักละทีนี้อรหัตตมักเนี่ยนะสัมมาทิฏฐิที่เกิดในอรหัตตมักนี่แหละจึงํำจัดมานะได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยนะคือเลิกสำคัญเลิกให้คุณค่ากับอุปาทานขันธ์ห้าโดยประการทั้งปวงคือคือ ถ้ายังมักล่างๆอยู่นะถ้าอริยะยังล่างๆอยู่เนะี่ยยังยึดถือในอุปาทานขันห้าสำคัญในอุปาทานขันห้ามากแม่แต่พราสกะทาคามีเนี่ยนะก็ยังมีมณะมากนะ